เสียงงานเกร็ดประวัติหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตบันทึกโดยหลวงตาทองคำเจารุวันโนต้นฉบับหนังสือจัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรากลิ่นสุวรรณซึ่งท่านอุทิศตนสร้างประโยชน์ให้สังคมและพระพุทธศาสนามายาวนานถือเป็นกำลังหลักของพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันที่ควรแกการอ น, านุโมทนาอย่างยิ่ง ติดตามหนังสือธรรมะอีกมากมายที่ท่านจัดพิมพ์ไว้เป็นธรรมทานซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีดูได้ที่เว็บไซต์กัลยาณธรรม com นะครับสำหรับต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ผู้จัดพิมพ์ท่านคัดเฉพาะเก็ดประวัติที่สําคัญมาจากหนังสือเรื่องเริ่มลึกวันวานโดยไม่ได้นําส่วนประกินอากาศธรรมอีกหลายตอนมารวมไว้ซึ่งมักเป็นเรื่องเนือสารมันวิสัยเป็นส่วนใหญ่กงเจตนาเพื่อนเน้นสาระสําคัญในส่วนประวัติ กับขั้นตอนแห่งการบรรลุธรรมเท่านั้นซึ่งในส่วนของภากิรอากาศธรรมที่มีจํานวนมากนั้นหากมีโอกาสก็จะนํามาทําเป็นเสียงงานที่ฟังต่อไปนะครับสําหรับเสียงงานโดยโจโฉหรืออริยะคุณจมรวมผลดีนั้นเป็นการทํางานจากศรัทธาส่วนตัวที่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนมีประโยชน์ก็มาร่วมเผยแพร่ต่อเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสํานักพิมพ์วัดหรือหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ชุติเดชสุภกิจศิลเฉวานนท์ทรงพลอุบลรัฐมงคลระพีพันธ์สลาลิตรอบครัวงามสุริยพงศ์รอบครัวศินสมบัติครอบครัวคาสุภาวิชามุนทาธิพกุลนัทวิสาจำปา